รวมจิตให้เป็นสมาธิเหมือนอย่างที่เราเคยทำมาแหละอยู่ที่บ้านแล้วก็เคยทำรวมจิตให้เป็นสมาธิลงไปแม้ลมหายใจที่หายใจออกหายใจเข้าอยู่นี้ก็ให้วางให้ตั้งสติไว้ คอยดูความรู้สึกของเราเรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรเราก็ต้องรู้ทันรู้ทันความรู้สึกนึกคิดเห่านั้นคิดหยาบก็ตามคิดละเอียดก็ตามเราไม่ต้องสนใจสนใจแต่ว่าเรามีสติ เรามีสติอยู่เรารู้ใจของเราอยู่ให้คอยรู้คอยเห็นอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันไม่อยู่ก็เอาใส่ลมนิดหน่อยใส่ลมหายใจเข้าออกนยะแล้วคอยดูความรู้สึกของเรา มันวางจากอารมณ์ต่างๆภายนอกทั้งหมดเหลือแต่รู้อันเดียวอยู่ในใจนี่แหละต้องการย้ำเตือนสำหรับผู้เก่าผู้ที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจ ในในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แต่สะดวชอบด้วยพระองค์เองมาแล้วดูเข้าไปจนเห็นว่ากายอันนี้ประกอบด้วยส่วนอะไรบ้างผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่ อาหารเก่ามีอยู่ในตัวของเรานี้มีอยู่ในกายของเราเนี่ให้เราเห็นชัดในกายอันนี้ประกอบด้วยส่วนเรียกว่าอาการสามสิบสองน้ำดีน้ำสเสล น้ำมูกน้ำลายน้ำตาเปรียวมันน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำหนองนี่ให้พี่นาพวกนี้ พิลาเขาไปที่ตัวเราเนี่ยให้มันเห็นชัดเหมือนเขาผ่าศพเนี่ยเขาผ่าศพศพผู้หญิงเข า, เอานอนไว้แล้วหมอผู้เป็นอาจารย์เขาจะมาสั่งให้ผ่าคนที่ตายแล้วนะ แต่คนที่ไม่ตายนี่ไม่ทําแต่หมายถึงคนตายแล้วเขาก็ผ่าผ่าตั้งแต่อกลงมาจนถึงท้องให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวนี่เส้นเลือดไปไหนไปไหนเขารู้หมด ให้พิจารณาลงไปพิจารณาจนว่าร่างการนี้มีการประกอบเข้าซึ่งความเป็นตัวเป็นตน แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้แยกออกจากกันอย่างสมมติว่าตัวเราเนี่เข้าผ่าเอาหนังออกหมดเลยเหลือแต่เนื้อเขาเอาเนื้อออกทั้งหมดเหลือแต่โครงกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยตาปอดเขาก็ออก เดือยโคงกระดูไว้ให้เราพิจารณาลงไปไม่มีส่วนไหนที่เราจะเอาไปเป็นของเราได้ไม่ว่าของคนอื่นหรือของตัวเราเองเราจะเอาส่วนไหนไปด้วยก็ไม่ได้ ตายแล้วก็ทอดทิ้งร่างกายดีไว้ให้คนที่อยู่เบื้องหลังคือลูกหลานเหลนสามีภรรยาทำการเผาศพก็กลายเป็นเท่าเป็นฐานเป็นดินไปส่วนที่เป็นกระดูกที่เผาไหม้แล้วมันยังเป็นฐานอยู่อันนั้นก็ เอาบให้ละเอียดสลาดขึ้นฟ้าควรขโมงตัวตนเราอยู่ที่ไหนท่านให้พี่นาเห็นว่าตัวตนของเรานี่ประกอบด้วยทำสามอย่างเหมือนกันมดเรียกว่าไตารักษณะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงก็คือร่างกายเรานี้ตั้งแต่แรกเกิดก็เป็นน้ำใสๆเรียกว่าต่อมาก็เป็นคนขึ้นมาเรียกว่ากาละละกจะเจริญขึ้ น, นเรื่อยๆจนเป็นปัญจาสาขาแขนสองขาสอง ศีษะหนึ่งพอข้อจากคันมันดามาแล้วมันดาเลี้ยงดูก็ใหญ่ขึ้นไม่ตายหนึ่งขวบสองขวบสิบขวบยี่สิบปีสามสิบปีส0สปีห้าสิบปีร้อยปี ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราว่าไม่เที่ยงจริงๆส่วนไหนก็ไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงปากฟันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยง ก็ไม่เที่ยงนี่ไม่ใช่มีแต่คนอื่นตัวเราก็เป็นเหมือนกันแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวปัจจุบันเราก็เปลี่ยนแปลงไปแก่เท่าสลาภาพเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามันไม่เที่ยงทรงนั้นเนี่ยถ้าเห็นตัวของเราเนี่ยที่ประกอบส่วนมีอาการสามสิบสองเนี่ย ให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงทำไมต้องให้พิจารณาว่าไม่เที่ยงก็เพื่อจะได้เกิดความสังเวชสะลดใจว่านี่วัตถุอันนี้เกิดมาเป็นตัวคนแล้วต่อไปก็ต้องแตกดับซึ่งเราเรียกว่าตายให้เห็นชัดให้เห็นชัดกาย น, นี้ว่าเกิดขึ้น ตังอยู่แตกสลายไปทุกคนไม่มีคำว่ายกเว้นไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงไม่ว่าพระหรือเนนแม่ขาวแม่ชีตายเรียบมดเลยแต่ไม่พร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวคนนี้ก็ตายแล้ว เดี๋ยูกผูนั่นก็ตายแล้วเรื่อยไปเ๋คนนั่นตายคนนี้ตายคนที่ไม่ตายมีไหมมีแต่ยังไม่ถึงเวลาท่านอีกแต่ถ้าถึงเวลาแล้วก็ของใครของมันร่วงหล่นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เรียกว่าตายท้งนั้นที่ไม่ตายไม่มี ให้เราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราจะได้เกิดความสังเวชสลดใจว่าตัวตนอันนี้เราเลี้ยงดูมันมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นอาหารการกินก็มีแต่สิ่งที่ดีๆมีรสชาติที่ถูกใจเรียกว่าอร่อย ไม่ว่าเราจะกินดีขนาดไหนรับประทานอาหารและะเอียดอ่อนขนาดไหนก็ตามดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็ต้องแตกดับตายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปองความสังเวชหรือทำความสังเวชสลดใจให้เกิดขึ้นว่าตัวเรานี้เป็นอย่างนี้แหละไม่วันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องไปจากโลกนี้ จะไปสู่โลกอื่นคือไปสวรรค์ชั้นฟ้าไปเป็นเทพเป็นเทวราอินฟรมถ้าหมดกิเลสแล้วก็ไปพระนิพพานถ้าไม่มีกิเลสก็ไปพระนิพพานทันอง ส่วนคนที่มีกิเลสก็ต้องเที่ยวเวียน่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้นานแสนนานพระพุทธเจ้าแต่สรู้ไปแล้วห้าพระองค์สิพระองค์เรายังไม่ได้เห็นธรรมเรายังไม่เห็นธรรมไม่ได้เป็นโซดาบัน ไม่ได้เป็นสกิทาคาไม่ได้เป็นอนาคาไม่ได้เป็นผ้าลรหันเราจะต้องท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวตัตสงสารนี้อีกนานแสนนานแต่ถ้าเราเป็นโสดาบันขึ้นไปันถึงผ้ า, ารหันการเกิดของเราก็น้อยลงและปิดอบายภูมิทั้งสี่เราเกิดก็ไม่ตกต่ำ แม้เกิดชาติไปอย่างช้าเราต้องพิจารณาตัวเรายังไงยังไงก็สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปจากโลกนี้เราต้องให้เห็นธรรมให้เห็นธรรมขึ้นมาในใจให้เห็นตัวตนของเรานีนแหละ ถึงความว่างเปล่านิสสัตโตนิชีโวสุนโยนิสสัตโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวิตสุนโย ว, ว่างเปล่าว่วางเปล่าจากอันไหนว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนให้เห็นเป็นความว่างเปล่าเราจะยึดถือเอาส่วนไหนไม่ได้เลย ไม่ว่าส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่ที่เราเรียกว่าต้องทนุถนอมเช่นในตาของเราเป็นต้นต้องรักษาต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นอันตรายนอนรักษาอย่างเต็มที่เต็มขนาด แต่ในที่สุดมันก็ไม่แน่นอนอีกเหมือนกันถ้าตายแล้วต า, า, ว า, มม า, า ก, ก็ไม่มีความหมายเงื่อหนังมังสาก็ไม่มีความหมายตัวตนของเราไม่มีความหมายสักอย่างเลยให้เฉยๆเขาก็ไม่เอาถ้าเราตายแล้วแถมยังกลัวผีอีกเขาไม่เอา ให้พิจารณาลงไปพิจารณาตัวเราเนี่แหละให้มันเห็นให้มันเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มีเกิดมีแก่มีตายเกิดแก่ตาย อันนี้เป็นศัจธรรมไม่มีใครหลีกเว้นได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยใจของเราเองว่าตัวตนอันนี้เรารักษามันเพื่อไม่ให้มันเป็นอันตรายด้วยวิธีต่างๆ เราก็อยู่ต่อไปได้แต่ว่ายัางไงยังไงก็ต้องร่วงโรดไปเหมือนกันเหมือนเดิมให้พิจารณาดูพิจารณาคนอื่นก็ได้พิจารณาตัวเราก็ได้พิจารณาทั้งตัวเราและคนอื่นก็ได้ให้เห็นชัดให้เห็นความจริงที่มีอยู่ในตัวตนของเรา ที่เราตัวของเราเนึ่ก็เป็นสมมุติโลกหรอกเรียกตามสมมุติโลกแต่อันที่จริงไม่รู้วันเป็นอะไรนี่แหละเราเรียกว่าคนเราเรียกว่ามนุษย์เรียกว่าคนเป็นคนตายพวกหมอพวกพยาบาล น, นี่เห็นดีเห็นอยู่ตลอดแหละอยู่คนเก็บคนป่วยอยู่กับคนตาย โอ้ทางนั้นแด็ไม่มีอะไรที่จะจริงจังในที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้พี่นาอย่างนี้พี่นาขันทั้งห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นหน้นนาตา ขันทั้งห้ามีอะไรบ้างรูปขันคือตัวตนของเราเนี่แหละเวทนาขันคือการรับรู้อารมณ์สัญญาขันความจำได้หมายรู้สังขารขันความคิดนึกผงแต่งวิญญาณขันคือใจของเราหรือวิญญาณ แต่พอวะวิญญาณก็นึกถึงผีถึงอะไรไปอันนั้นก็ไม่ใช่วิญญาณหมายความว่าความรู้หรือผู้รู้ที่อยู่ที่ตัวเรานี่ให้พี่นาเขาไปอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเรายึดถือเอาไม่ได้ก่อนที่เราจะไปจากโลกนี้เราต้องทำสมบัติมนุษย์ให้ได้ ทำสมบัติสวรรค์ให้ได้ทำสมบัติพระนิพพานให้ได้ให้เกิดให้มีขึ้นในตัวตนของเราหรือในในใจของเราให้เราเห็นความจริงเหล่านี้ให้เห็นชัดให้เห็นถูกต้อง ให้เห็นตามที่เรียกว่าสัมมาปฏิบัติคือเห็นความจริงควาจริงที่ตัวตนของเราเนี่ยให้เราเห็นเราจะยึดถือเอาตรงไหนเป็นตัวเราไม่ได้จะยึดถื อ, อผมเป็นเราก็ไม่ได้ขนเป็นเราก็ไม่ได้เล็บเป็นเราก็ไม่ได้ หนังก็ไม่ได้เนื้อก็ไม่ได้กระดูกก็ไม่ได้ไม่ได้สักอย่างเราไม่ยึดเราไม่ถือเราไม่สำคัญมั่นหมายเมื่อเรารู้ชัดแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ายังไม่ชัดคุณธรรมยังต่ำอยู่ยังไม่สูงก็พออนุโลมคือรู้ได้บ้างเห็นได้บ้าง พิจารณาความจริงได้บ้างก็อย่าประมาทกาทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเองมันจะประเสริฐขึ้นเองใจเราเราประเสริฐกายนี้มันไม่ประเสริฐหรอมีแต่ค่อยแก่ไปเรื่อยๆหมอทันตกรรมตกแต่งนี่ รวยเงินสมัยนี้นะทำไมถึงรวยเพราะว่าคนตกแต่งเนี่ยไปดึงหน้าบ้างไปทำตัวนั้นบ้างทำตัวนี้บ้างราคาไม่ใช่พันสองพันนะเป็นแสน น, นะนุ่นท่านใดพิจารณาถือความจริงพิจารณาไปเรื่อย ที่จะนาจนไม่มีอะไรที่จะยึดถือเอาได้สักอย่างเดียวนั่นแหละเอาป่านนั้นน่ยเห็นชัดมดเห็นความเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์หรือจะเพิ่มเข้ามาอีกก็เห็นความเก็บเป็นทุกข์เห็นเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้ ให้พิจารณาเข้าไปมองเห็นตัวเราเป็นโครงกระดูกอยู่เลยเราไม่ต้องกลัวเห็นตัวเราเนี่เป็นโครงกระดูกจะยึดตรงไหนมันไม่มีที่ยึดแล้วให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆหรือจยเรื่อยๆ มันจะวางความยึดความถือได้จะถึงซึ่งมรรคผลนิพพานเราเกิดมาแล้วเราต้องทำสมบัติให้สมบูรณ์ให้ทำสมบัติมนุษย์คือรักษาศีลสมบัติสวรรค์ก็ให้ทานรักษาศีล สมบัติพระนิพานก็ให้ปฏิบัติให้มีมากมีผลเกิดขึ้นให้พิจารณาอย่างนี้แหละบ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ตลอดเวลาเราสามารถกำหนดได้ในะเวลาไหนก็กำหนดดูเลยให้มันเห็นโทษของกายนี้ ต่อไปพูดภาษาต่างประเทศไปทายกทายิกาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาปฏิบัติธรรมทีนี้ไล่คนมาไลา่ ให้ตั้งใจพิจารณาถ้าฟังเข้าใจก็ให้ตั้งใจพิจารณาตามที่ว่ามานั้นแต่ว่าการที่เาจะเข้าถึงความบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอริยเจ้าสุรบัณฑก็ให้คอยกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจเขา้าก็ให้เราเห็นลมหายใจเข้าอยู่เรื่อยๆลมหายใจออกก็ให้พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่เรื่อยๆหอยเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกของเหา่าถ้าเห่าเห็นลมหายใจเขา้าหายใจออกอยู่นั้น ขอเรียกว่าเราภาวนาเป็นอยู่แล้วถ้าเราเห็นนะยืนอยู่เฮาก็เห็นลมของเฮานั่งอยู่เฮาก็เห็นลมของเฮาเฮาน อ, นอนอยู่เฮาก็เห็นลมของเฮาคอยเบิงลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นั่นแหละ ให้เบิกลมหายใจคอยบิกงลงมหายใจเราหายใจเข้าเราดูได้บ่เราสามารถกำหนดลมได้บ่เวลาลมหายใจออกเราสามารถกำหนดรู้ได้บ่ถ้าเราสามารถกำหนดรูได ซึ่งลมหายใจเขา้าหายใจออกนีก็แปลว่าเฮาภาวานาอยู่บิดมือบิดเวีนเฮาเห็ดอีย่างอยู่กระสังถ้าเฮาเห็นลมหายใจของเฮาอยู่เรื่อยนั้นก็เรียกว่าเราภาวานาไปในตัวเราทำสมาธิอยู่ในตัวให้คอยพิจารณาจากซีมันมันใกล้ๆดิ ยังแฉนหลวงพบ่บางนี้มันมาใช้เวลามันเป็นมือเพื่อจะมาฮัดวัดป่าโดยให้โชคได้เ h ามาไก่ป่านั้นแล้วเฮาก็บต้องให้มันกลับไปสื่ อ, อให้มันได้ธรรมะธรรมโมทันไม่ให้มันมีมากมีพ้นเกิดขึ้นเฮาต้องคอยดูคอยดูลมหายใจเข้าหายใจออกของเฮา ถ้าอยากพิจารณาเขาพิจารณาได้ตามที่อัตมาเทศมาขอ้อนนี้นี้นั้นให้พิจารณาอย่างนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ให้เอาว่าเฮาสิ่ทาจิตของเฮามันนิง่งสงบเป็นหนึ่งได้จังไดให้ค่อยเขาทำความเข้าใจส่วนนี้ซะก่อนเวลาลมเข้าเวลาลม อ, อกักนี่เรากําหนดรูดายบ่ถ้าเฮากําหนดรูด้ นั้นแล้วเรียกว่าเาภาวนาหรือปฏิบัติเป็นแล้วถ้าเราคอยกาหนดรู้ลมของเราได้อยู่ในอิริยาบถต่างๆเหม็นเหตุเรียกเกตุงานหรือว่านั่งอยู่ว่างๆบ่ได้ทาธุระสิ่งใดบ่ได้ทาหน้าที่อันใดเอาคอยเบิง้งสังเกตุลมหายใจเราดู ถ้าเฮ็ดลมหายใจเข้าเฮ็ดลมหายใจออกอยู่ก็เรียกว่าเฮาภาวนาปิดแล้วถ้าภาวนาบัปิดนั้นมันที่กำหนดบัวไ้เลยกำหนดความคิดความรู้อันไหนกำหนดบัวทึกจกเป็นส่วนไหเป็นอันไหนวัวรู้เลยแต่ถ้าเฮาภาวนาปิดแล้วน่ยมันรู้เลย มันรู้รู้ว่ามันออกแล้วก็โอ้ใจเฮาสบายเย็นอยู่ภายในน้นนะอยู่ภายในหัวใจเฮาคนน่ะเราท้าบกลางโอกที่มันเย็นไปวัดเลยอันนี้เรียกว่าเฮาภาวนาปิดแล้วเราได้สมบัติพดีผ่านแล้วตั้งแต่โซรบันขึ้นไป ใจเฮาทิตั้งเทียงตั้งมันบววันไหวบวทอดทิ้งการปฏิบัติยินดีในการปฏิบัติพอใจในการปฏิบัติชอบใจในการปฏิบัติเฮตุสันนะ่ะอยู่เรื่อยๆ ย, ยืนกนห้สังเกตบรลม นั่งก็ให้สังเกตวังลมนอนก็ให้สังเกตบวังลมเอาไปได้สังเกตมันก็เป็นไปเองของมันอันนี้เรียกว่าเอาทำเปลีนแล้วเอาอยู่ซื่อเราก็สบายจิตใจเอาปอดโปร่งดีจิตใจเอาพอฟุง้งซ่านพอเป็นไปตามอากาศต่างๆ มันนิง่งมันตั้งเทียงตั้งมันเฮาเซตยั้งอยู่มันก็รู้ได้ในตัวเฮานี่อันนี้เรียกว่าเฮาภาวนาถูกต้องแล้วเฮาบอต้องไปหาที่อื่นหาอยู่ที่ตัวของเฮานี่ยหาที่อื่นบ่าเห็นหรอก หาอยู่ในตู้พะไตวปิฎกมันก็ไ่เห็นอันนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้เฮาทําตามเท่านั้นจึงจะเห็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ก็เห็นธรรมแล้วก็เห็นหนูทีเจ้าถ้าเรเห็นธรรมก็ไ่เห็นหนูทเจ้าถ้าทำคำส่วนอ่านแล้วเข้าใจแล้วมันก็ยังเป็นปริีอัดอยู่เป็นปริีตัดเป็นการทึกษ์ศาสต่าเรียนการมาทาตามจงังซี่อันนี้เรียกว่าปฏิบัติ คือทาตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพิ่นสอนไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติตามพอทาถูกต้องแล้วใจของเฮาเย็นสงบบมเหตยนั้งมันก็สงบใจมันสบายอยู่ภายใน ล, ลึกๆกุนะลูกเต้าแซลมันหยอกกันเล่นกัน ลูกหลานน่ยเฮากับบารมขนันซื้อๆใจเฮานะบารมขันขอเขาโอ้ยเขาเล่นฟุ่นเล่นยังเฮาก็ไม่ได้ไปกังวลเฮามีแต่เมตตาเฮามีแต่ความสงบเย็นใจบอกคิดนึกอยากดา่าอยากห้มันว่วีในใจเฮาอย่างดีก็แค่บอกเขา เขาเศ้าก็ดีไปพอเศร้าก็แล้วไปเฮาบุยุ่งเลยแต่เฮาสบายประเด็นน่ะไปสิว่าจำได้กระสังเฮาบ่สนใจสนใจแต่ลมหายใจเข้าออกของเฮานี้เท่านั้นเฮาเห็นลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งทั้งที่เฮาบ่ได้ตั้งใจฝึกดิมันก็เป็ี่นของมันขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเฮา รู้เห็นแล้วเฮาเข้าใจทำแล้วเฮาเห็นทำแล้วทำคือความสุขความสบายเกิดขึ้นในใจของเฮาแล้วพระพุทธเจ้าก็เห็นทำเหมือนกันถามว่าเห็นทำพระพุทธเจ้าก็บ่กเป็นสัมมาสัมพุทธะว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบตัดสรู้ด้วยพระองค์เองตัดสรู้อีอย่างละ ก็ตัดสธรู้ทำเถอะทำเกินใดคืออริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่หามาเฮ็ดอยู่นี่เป็นมรรคอันี้เขาเดินตามมรรคเดินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หรือพระองค์ปฏิบัติให้เป็นจนได้บรรลุเป็นเราพุทธเจ้าให้เราคอยเบื่ง พระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะก่นกันจึงได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเฮาเฮ็ดอยู่นี้ใจเฮาก็สงบสบายก็เื่อว่าเราเห็นธรรมแล้วนี่เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วทำเที่ยวพระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นก็หลายและแปดหมื่นสี่พันวัฒนารรขันคนน่ะ ปฏิบัติตลอดชีวิตก็ยังบวเบ็ดแต่เขาว่าป่านนั้นเราฟุทธเจ้าสอนไว้อริยมรรต์วีองแ8ดตอนนั้นเองสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังระความดำริชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบ สัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตให้มั่นคงหรือว่าเป็นสมาธิชอบเฮาเฮ็ดเดี๋ยวนี้เฮาปฏิบัติยุคขอ้อใดอะข้อที่สัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบนี่เดีว เอาว่าไดปฏิบัติไปหลายๆหรอกเอาเท่านี้พอเห็นลมหายใจเขา้าหายใจออกนีเท่นนั้นให้เห็นอยู่งฉี้ใจเฮาก็จะสงบก็จะเห็นทมชัดเจนขึ้นเห็นจนบวยิดบวถือส่วนไดเลยในชีวิตอันนี้ทิ้งได้มดวางได้มดบวยิบบวถือเลย นี่แหละเป็นอย่างสิแหละอันนี้ก็เป็นภาษาที่พูดในประชาติที่ไต่ประชาชนลาวแต่ว่าก็อยากให้ฟังปริยัติหรือข้อคำสอนที่พระเจ้าสอนไว้ว่ามีอย่างแหนในการปฏิบัตินี้คอยลองฟังเวิง้ง ให้อาจารย์พระมหาไยบุญอภิพุตโนอ่านเรื่องอนาปานสติให้ผู้ที่มาไหมหรือผู้ที่ยังบวทันเข้าใจหรือซึ่งได้เห็นสัตว์แจ้งขึ้นมากับคำสอนของพุทธเจ้าเรื่องนี้มีอยู่เฮาปฏิบัติตามนี้แล้วเฮาต้องได้พ้นทุกข์แน่นอน เอาว่าต้องทุกข์เดือดร้อนในนรกละไปแต่สวัสค์กับพพ ม, มโลกไปนิพพานเท่านี้ถ้าเหตุต่มที่คนแสดงไว้ทั้งมดนั่นนะ่ะลองเบิงฟังมึงดูว่าเป็นยังไงเอานิมนอาจารย์พระมาาไฟบุญอ่านอานาปนาณสติสุรอ่านเป็นคำสอนของของพุท์เจ้าอยู่ในพระไตรปิฎก นิมนต์อ่านเบื้องนิมนต์เพราะนิมนต์อ่านครับอา น, นาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่ก็อา น, นาปณสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอ น, นิสงส์ใหญ่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 เมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้น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 ให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้หระงับหายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้หระงับอยู่หายใจออกโดยย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า ให้เราเป็นผู้รู้ปรามเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกต่อย่อมทําการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้ปรามเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเขา้าให้เราเป็นผู้รู้ปรามเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออก เตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตให้ใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตให้ใจออกเตย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิต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 ให้เราเป็นผู้รู้พรำเฉพาะซึ่งจิตให้ใจออกแต่ ย, ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำ จ, จิตให้ปรามโมทอย่างยิ่งให้ใจเข้า <olie> ให้เราเป็นผู้ทำ จ, จิตให้ปรามโมทอย่างยิ่งให้ใจออกแต่ ย, ย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ให้ใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่ใหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิต belief ให้ปล่อยอยู่ หายใจออกต่ย่มทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกต่ย่ำทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความดับไม่เหลือ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 ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความสนัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกอาณาปานาสติที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สงหญ่เมื่อการทำจริงเป็นธรรมะที่เธอปรารบแล้วไม่ย่อหย่อน สติเป็นสิ่งที่เธอเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่หลืวหลงเมื่อกายสงบระงับแล้วไม่กโกรนกระวายเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเป็นนรมัเดียวเธอพื่ที่เป็นเช่นนี้เมื่อนั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเปลี่ยนเหงากิเลสเป็นผู้กลัว ต่ความเป็นาธาตุของกิเลสเป็นผู้ปรารบความเพียนอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เหนือนิดนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้เอนดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเป็นดูแล้วจะพึ่งทำแก่สาวบวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอนั่นคนไม้นั่นเรือนบ้างพวกเธอจงเพียรเบากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในไปหลังเลยนี่แหละ มาจากเครื่องพร่ำสอนของเราแด่เธอทั้งหลาย